จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22สิ่งหาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สรงพระคุณอันประเสริฐอย่างยิ่งด้วยการทำบุญทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการละการกระทบาบาปทั้งควงและด้วยการชราระจิตให้สะอาดบริสุทธ ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเพราะมีความศรัทธาอย่างแน่วแน่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกอย่างการไม่ทำบาป ก, ก็ดี การทำความดีทั้งหลายก็ดีการชำระจิตให้สะอาดบรยสุดก็ดีล้วนเป็นการเสริมสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจเป็นการปัดเป่าเคาะกรรมภัยพิบัติทุกภัยทั้งหลายให้พ้นไปจากจิตจากใจของพวกเราดังนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่อได้อย่าง เต็มที่อย่างแน่วแน่เลยว่าคําสอนทุกบททุกบาทของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงล้วนๆและจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เสมอไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นกับสถานที่เพราะธรรมะเป็นอาการลิโกอาการลิโกก็คือไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันเสือ่อม ไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีวันเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นอาหารดุยานักจะมีฉลาดกำกับไว้เสมอว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนั้นเพราะหลังจากวันนั้นแล้วจะเสื่อมคุณภาพไปแต่คุณภาพของพระธรรมคำสอนนี้ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลา ถ้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปกับศรัท ธ, ธาของสาธุชนพุทธบริษัทที่หมดศรัท ธ, ธาที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นถ้าไม่มีผู้มีจิตศรัทธาศึกษาปฏิบัตรธรรบรริธรรมจนบรรลุธรรมแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปศาสนาคือสวาขาโตพระวตาธรรมโมนีก็จะ สูญหายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าความจริงที่ทรงสอนอยู่นั้นได้สูญหายไปหรือแต่อย่างใดความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่เสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นความจริงที่ทรงสอนว่าทำดีแล้วได้ไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นไม่เสื่อมไปไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปสอนพระธรรม ความจริงนี้หรือไม่ก็ตามความจริงนี้ย่อมมีอยู่ผู้ใดปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถรับผลจากการปฏิบัติได้ถ้ายังสามารถทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละบาปทั้งปวงได้และชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ผลที่จะตามมาก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนหรือไม่เพียงแต่การมีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนนี้เป็นการช่วยพวกเราให้ได้รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือความทุกข์ที่แท้จริงเพื่อเราจะได้ทำแต่สิ่งที่ ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงและหลีกเลี่ยงการสร้างความทุกข์ให้แก่เรานั่นเองบุพภคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่พระองค์ทรงอุทิศเวลาของพระองค์หลังจากที่ทรงตัดสัูวพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นเวลา45ปีด้วยกันที่ประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกช่วยเหลือให้สัตว์โลก ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจำนวนมากมายมีพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากมายมีพระอระยะบุคคลขั้นต่างๆเป็นจำนวนมากมายทั้งหมดนี้เกิดจากความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีแก่สรรโลกพระพุทธเจ้าไม่ได้รับผลตอบแทน จากการสั่งสอนสัต์โลกเลยคือผลตอบแทนในทางด้านจิตใจเพราะจิตใจของพระองค์นั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขด้วยความเจริญแล้วไม่สามารถที่จะมีความสุขมากไปกว่านี้แล้วไม่สามารถเจริญสูงขึ้นไปกว่านี้แล้วแต่พระองค์ก็ทําเพื่อพวกเราที่จิตใจยังอยู่ต่ายังมีความทุกข์ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสพบกับความสุขและความเจริญที่สูงสุดนี้นี่คือความศรัทธาที่พวกเราควรจะมีอยู่ในพระธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วเป็นเวลาถึง 2,500 กว่าปีแต่พระองค์ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากแก่ว่า ธรรมวินัยที่สถาค ต, ตัดไว้ชอบนี้แลจะเป็นาศาสดาแทนพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากาศาสดาแต่อย่างใดเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้จากาไปจากไปเพียงสรีระร่างกายแต่องค์ของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่ในพระธรรมคําสอนที่พวกเรากําลังศึกษา กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้องค์นี้แหละคือองค์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไม่นานเราก็จะได้มีพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในดวงใจของเราตอนนี้พระพุทธเจ้ายังเป็นสัญญาความจำยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจเรา เวลาที gamer, society, seule, life, ่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่แต่พอเราไม่ระลึกถึงท่านพระพุทธเจ้าก็หายไปทำให้การกระทาของเราจึงเป็นแบบลุ่มๆุ่มดอนดอเวลามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราก็จะพูดดีทำดีคิดดีเวลาที่เราเผลอลืมพระพุทธเจ้าเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดี แต่ถ้าเราน้อมเอาคำสอนที่ทรงสอนให้เราปฏิบัตินี้มาตปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถปลูกฝังพระพุทธคุณนี้ให้อยู่ในใจของเราได้อย่างถาวรแล้วเราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราไปตลอดเวลาเราก็จะคิดดีพูดดีทําดีไปตลอดเวลา เราก็จะมีสาระที่แท้จริงอยู่ในใจของเราสาระที่เรานับถือกันอยู่ทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังไม่ได้อยู่ในใจของเรายังอยู่ภายนอกเวลาเราลำ เ, เลิกถึงท่านเราก็ดึงเข้ามาภายในใจเราครั้งหนึ่งแต่พอเราลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะหายไปจากใจของเราใจของเราจึงยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่แต่ถ้าเราจเจริญลึกลำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจของเราแล้วต่อไปก็จะอยู่ในใจของเราตลอดเมื่ออยู่ในใจของเราหลอยตลอดแล้ว ก็จะเป็นที่พึ่งของใจอย่างแท้จริงจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่งทำลายจิตใจได้ อ, อีกต่อไปถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดเวลาและการที่จะทำให้ใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดเวลาก็อยู่ที่การปฏิบัติ4ประการด้วยกันคือสุ ป, ปฏิปันโน การปฏิบัติดีอุชุ ป, ปฏิปโนการปฏิบัติตรงยายะปฏิปโนการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์และสามีจิปติปโนการปฏิบัติชอบคือ ป, ปฏิบัติด้วยความถูกต้องนี่คือหลักที่จะประกันให้มีพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สถิประดิษฐานอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเราต้องปฏิบัติหลังจากเราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องนำออกไปปฏิบัติที่ทรงสอนให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็ต้องทำความดีทั้งหลายมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างมีตั้งแต่ความกตัญญูกตวเวทีการมีสัมมาคาระวะ การเสียสละการให้การฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำความดีหรือรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้อื่นมีผู้อื่นเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นไปหรือการให้อภัยไม่ถือโทษกดเคืองเวลาที่มีผู้อื่นสร้างความ เก็บช้ำน้ำใจความไม่พอใจก็ไม่ถือโทษกอดเครืงไม่อาฆาตพยาบาทนี่คือความดีที่เราพึงกระทํากันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่จําเป็นจะต้องรอเวลามาวัดถึงทําความดีความดีนี้ทําได้ทุกคนทุกแห่งเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราจะต้อง ทำเราก็ควรทำเช่นเวลาเราอยู่ใกล้บิดามารดาเราก็ต้องมีสัมมาคารวะมีความคารวแล้วก็มีความกระตันอยู่เราควรระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่อย่างสม่าเสมอเพื่อเราจะได้ไม่ลืมเพราะเมื่อเราลืมแล้วเราก็จะไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเราก็จะกลายเป็นคนกระตันอยู่ไป คือคนไม่มีความประทันยู่งทั้งที่เราก็ไม่มีเจตนาที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เพราะความหลงลืมเพราะภารกิจการงานต่างๆมาฉุดลกให้ใจของเราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยจนลืมพ่อลืมแม่ไปแต่ถ้าเราคอยล้ำลึกอยู่เสมอทุกเช้าทุกเย็น เวลาเรากราบพระแล้วเราก็กราบพ่อกราบแม่ด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็หันหน้าไปในทิศที่ท่านอยู่เราก็กราบท่านเหมือนกับพระสาริบุตรไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนพระสาริบุตรก็จะหันหน้าไปทิศที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่และกราบเสมอเพราะจะเป็นการ เตือนสติเตือนใจไม่ให้หลงหลุนพระคุณของผู้ที่มีพระคุณนั่นเองและเมื่อเราไม่ลืมแล้วเราก็จะมีจิตใจที่จะไฝที่จะไปหาท่านที่จะไปดูแลท่านที่จะไปช่วยช่วยท่านอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของการทําความดี ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีการกระทำอะไรต่างๆที่เราสามารถพอที่จะช่วยกระทำได้เราก็ช่วยทำกันอย่างที่นี่ก็มีผู้มีจิตศรัทธาหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่กลับบ้านยังช่วยเก็บช่วยกวาดช่วยล้างถ้วยล้างชามอย่างนี้ก็เป็นการทำความดี หรือบางท่านเวลาไปเข้าห้องน้ำเห็นว่าห้องน้ำมันสกรปรกก็ช่วยทำความสะอาดห้องน้ำโดยไม่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นห้องน้ำของเราเราไม่ไม่สำคัญว่าจะเป็นห้องน้ำของใครเมื่อเราใช้หรือคนอื่นใช้ทุกคนก็ต้องการความสะอาดเหมือนกันเมื่อเราเห็นว่ามันไม่สะอาดและถ้าเรามีเวลาเราก็อย่าดูดายอย่า อย่าปล่อยให้มันผ่านไปว่ามันเป็นโอกาสทองของเราที่เราจะได้มีโอกาสทําความดีได้ได้สร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนี้ไม่ได้อยู่ที่การกระทํากับพระกับวัดอย่างเดียวอยู่ได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการกระทํากันถ้าเราเห็นบ้านเมืองของเราไม่สะอาดเดินไปไหนมีแตเศษขยะ ถ้าเราพอในเวลาเราก็เก็บขยะใส่ถุงแล้วนาเอาไปทิ้งในที่ที่ควรทิ้งอย่างนี้ก็เป็นการทำความดีเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อข้าวซื้อของมาให้คนนั้นมาให้คนนี้เสมอไปการทำความดีมีหลายรูปลักษณะด้วยกันแม้แต่เวลาที่เรานั่งอยู่บนรถเม์ ถ้ามีคนแก่คนชราคนพิการมีสุภาพสตรีที่ตั้งคันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรานั่งอยู่เราก็สามารถทำความดีได้ด้วยการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการนั่งเพื่อให้ผู้อื่นที่เขาลำบากกว่าเราได้นั่งเราก็จะมีความสุขมากกว่าการที่เราได้นั่ง ดีไม่ดีเวลาที่นั่งเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจมีการต่อสู้อยู่ภายในใจใจนึงก็อยากจะลุกแต่ใจนึงก็ไม่อยากจะลุกขี้เกียจอยากจะสบายถ้าเราชนะความขี้เกียจได้ความรักสบายได้เราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการเสียสละที่นั่งนี้ให้แก่ผู้อ่นไปนี่คือเรื่องของการทำความดี เราจึงควรมีสติเสมอควรถามตัวเราเอ ง, งเสมอว่าในกรณีนี้ในเหตุการณ์นี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างอย่าไปอย่าไปรอให้คนอื่นเขาบอกเราเพราะถ้ามีคนอื่นบอกเราแล้วนี่มันสู้เราบอกตัวเราเองไม่ได้เพราะถ้าคนอื่นบอกบางทีเราก็อายเขาเกงใจเขาเราก็ทําไปด้วยความเกงใจหรือด้วยความอาย เราไม่ได้ทำด้วยจากใจจริงจากใจที่รักการเสียสละรักการทำความดีถ้าเรามีใจที่รักการเสียสละรักการทำความดีแล้วใจของเราจะมีแต่ก้าวหน้าไปอยู่เรื่อยโดยที่ไม่ต้องมีใครมามาผักมาลากมาจูงไปเพราะเป็นเหมือนกับนาฬิกาขายลานอัตโนมัติเราไม่ต้องมาขายลานมนะัน มันจะขายแางในตัวของมันเองคนที่สามารถทำความดีได้โดยที่ไม่มีใครมาบอกมาชี้นี่เป็นคนที่มีโอกาสที่จะไปถึงที่สูงสุดได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้ายังต้องมีคนมาชี้มาบอกแล้วค่อยทำอย่างนี้ก็จะมีโอกาสไปช้ามากเพราะถ้าไม่มีใครมาบอกก็จะไม่ทา ดังนั้นขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสถานที่ต่างๆควรจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราก็ควรรี่ทําเสียเวลาเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั้นเราก็ได้รับประโยชน์แก่ตัวเราด้วยคือจิตใจเรามีความสุขมากขึ้นจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเรา มีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นมีความเกลียดคล้าน้อยลงคนที่จะไปพ้นจากความทุกข์ด้านี้พ้นได้ด้วยความภาคเปลี่ยนไม่ได้พ้นด้วยความเกลียดคล้านถ้ายังมีความเกลียดคล้านอยู่ก็จะไม่มีโอกาสที่จะยกตนให้พ้นจากกองทุกข์ได้ไม่มีโอกาสที่จะยกจิตใจของตนให้ขึ้นสูงได้ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดจากความเพียนเกิดจากอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สอนตนเองด้วยการอาศัยคำสอนของผู้อื่นมาเป็นแนวทางอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็นำเอาคำสอนนี้มาเตือนใจเราอยู่เสมอว่าตอนนี้เราทำความดีให้ถึงพร้อหมหรือยัง ขณะ น, นี้เวลานี้เหตุการณ์นี้เราทำความดีได้หรือไม่เช่ขนขณะนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมกันอยู่การฟังเทศฟังธรรมด้วยสติด้วยความตั้งใจก็เป็นความดีเป็นการกระทาความดีอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ทําอะไรร่างกายไม่ได้ขยับเขยื่อนอะไรแต่ใจกำลังทำงานอยู่ใจกำลังเรียนรู้กำลังศึกษาเพราะถ้าได้ ฟังธรรมะด้วยความตั้งใจด้วยการมีสติแล้วอั น, นิสงส์ที่พึมิจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นคือจะขจัดความสงสัยได้จะมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีจิตใจที่ผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่กำกลังฟังธรรมและเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าประโยชน์อย่างอื่น ดังนั้นในขณะที่เราไปในสถานที่ที่มีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เราควรที่จะหยุดภา ร, รกิจอย่างอื่นทั้งหมดอยากจะถวายของพระก็รอไว้ก่อนอยากจะทำอะไรตอนนั้นก็รอไว้ก่อนขอให้ตั้งอยู่ในความสงบให้กายเป็นศีลให้ระงับจากการคุยกันพูดกันเพื่อให้ใจเพื่อให้ร่างกายมีศีลเป็นเครื่องรองรับ และใจก็ตั้งใจฟังด้วยสติไม่คิดฟุ้งซ่านไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิกายเป็นศีลวาจาเป็นศีลเวลาฟังก็จะเกิดปัญญาจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำมาขจัดความสงสัยได้ที่จะมาทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องได้ ที่จะทำให้จิตใจของเราผ่องใสมีความสุขได้นี่คือความดีอีกอย่างหนึ่งและเป็นความดีที่สำคัญที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่าธรรมะทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและการได้รับธรรมะก็เป็นการชนะการได้รับทั้งปวงเช่นเดียวกัน ได้รับอะไรก็ไม่ดีเท่ากับการได้รับธรรมะต่อให้ได้เงินได้ทองเป็นกองเท่าภูเขาได้ตำแหน่งสูงๆขนาดไหนก็ตามก็ยังสู้กับการได้รับธรรมะไม่ได้เพราะได้รับธรรมะแล้วสามารถหยุดพ้นจากความทุกข์ได้สามารถบรรลุพระนิพพานได้ได้เงินได้ทองได้ยศได้ตำแหน่งมาไม่สามารถหยุดพ้นจากกองทุกข์ได้ ไม่สามารถาได้บรรลุถึงภาพนิพานได้<ม>นี่ก็คือเรื่องของการทำความดีชนิดต่างๆที่เราควรที่จะศึกษาแล้วนำเอามาไข้ควร<ม>อย่างเวลาที่เราไปไปนั่งรอใครไปหาหมอแล้วต้องนั่งรอหมออย่างนี้เราก็ทำความดีให้กับตัวเราได้ด้วยการกำหนดจิตของเราให้สงบ นั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปใจก็จะสงบใจก็จะสบายเวลาก็จะผ่านไปเร็วไม่ทันใลพยาบาลก็จะมาเรียกเราว่าหมอพร้อมแล้วแต่ถ้าเรามัวแต่ลืมตาคอยดูนาฬิกาคอยดูประตูที่คนเข้าออกไปหาหมอยิ่งดูมันก็ยิ่งกระสับกระสายยิ่งกังวนกังวล ย, ยิ่งมีความ โดยเปล่าประโยชน์สู้มาภาวนาหลบตาทำจิตใจให้สงบดีกว่าถึงเวลาแล้วขามาเรียกเราเองเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องคอยไปเฝ้าดูแลจะทำให้จิตใจเรามีอคติถ้าเราเห็นคนที่เข้ามาทีหลังเราเข้าไปก่อนเราอย่างนี้เราก็จะคิดไม่ดีเราก็จะคิดคิดร้ายต่อคนนั้นเรือคิดร้ายต่อหมอ ว่าไม่อยุติธรรมบ้างลำเอียงบ้างอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจปล่อยให้มันเป็นไปเรื่องของเขาเรื่องของหมอเขาจะดูใครก่อนดูใครทีหลังก็เรื่องของหมอเขาเมื่อถึงเวลาเขาจะดูเราเขาก็จะเรียกเราเองเราอย่าไปกังวลอย่าไปนั่งกระสับกระส่ายให้ให้เป็นทุกข์ใจไปตปล่าๆสู้ั่งภาวนาไปดีกว่า ถ้าเราไม่สามารถอยู่กับพุโทโธได้เราก็นั่งสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้เอเรหังสำมมาสุปัสสวะขาโตสุปัสติปโนโ น, นี้ก็สวดไปภายในใจสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาเรียกเราเราก็จะมีความสุขนี่คือการทําความดีเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าไม่มีเวลาทําความดีเรามีเวลาทําความดีอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่เราไม่รู้ว่าความดีนั้นเป็นอะไรท่านั้นเองเราคิดว่าความดีต้องมาวัดต้องมาทำบุญตักบาตรถึงจะเป็นความดีแต่ความจริงความดีนี่มีหลายรูปแบบด้วยกันเวลาใครทำให้เราไม่พอใจเราให้อภัยเขาเราก็ทำความดีแล้วทำความดีทั้งกับตัวเขาและกับตัวเราเวลาเราโกรธเราหักข้ามใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปพูด ว่าเขาเดี๋ยวก็ต้องไปมีเรื่องมีราวกันเขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนแต่พอเราให้อภัยเขาเราเฉยเสียเขาก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการทําความดีเป็นอย่างนี้ส่วนการไม่ทําบาปก็เช่นไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆด้วยการข่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีด้วยการลักทรัพย์ก็ดีด้วยการประพฤติผิดตัวเวนีก็ดี ด้วยการโกหกหลอกลวงก็ดีหรือด้วยการเสพสุลายาเมาก็ดีเหล่านี้เป็นการกระทำที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและความเดือดร้อนนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราทำให้จิตใจเราวุ่นวายจิตใจเราเป็นทุกข์เวลาเราไปทาร้ายผู้อื่นแล้วเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเราก็จะมีความหวาดกลัวที่จะต้องไปใช้โทษใช้เวรใช้กรรม ถ้าเรามีสติคอยดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พอเราจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็หยุดยั้งมันเสียถ้าเราหยุดได้แล้วเราก็จะปลอดภัยเพียงแต่เตือนตัวเราเองว่าทำไปแล้วมันจะเสียหายมากกว่าได้มาถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะมีฮิริโอตปะขึ้นมาก็จะมีความอาย และมีความกลัวบาปจะไม่กล้าทําบาปเพราะกลัวผลของบาปที่จะตามมานั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้รับผลในชาตินี้ก็ตามแต่เวลาตายไปนี้มันจะส่งผลให้เราต้องไปเกิดในที่เราไม่ปรารถนาไปกันการกระทําบาปนี้เป็นเหตุที่ทําให้สัามโลกต้องไปเกิดในอบายขึ้น อ, อยู่ที่ว่าจะไปส่วนไหนเท่านั้นเอง มีอยู่หลายส่วนนรกก็เป็นส่วนหนึ่งเดรัจฉานก็เป็นส่วนหนึ่งเปรต ก, ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ที่ว่าเราทำด้วยเหตุผลกลไกลอันใดถ้าเราทำบาปด้วยการไม่รู้หรือคิดว่าไม่เป็นไรอย่างนี้เช่นคิดว่าต้องต้องทำอาชีพประมงต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่มันผิดธรรมะ พอชีวิตของใครใครก็รักด้วยกันเวลาใครเข้ามาฆ่าเราเพื่อเอาเราไปเป็นอาหารบ้างเราจะคิดอย่างไรคนที่ฆ่าเราเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาต้องกินแต่คนที่ถูกฆ่าสิเขาจะไม่คิดอย่างคนที่ฆ่าคนที่ถูกฆ่าก็บอกว่าทําไม่ได้ชีวิตของเราเราก็รักเหมือนกันถ้าเธอฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเธอก่อน ถ้าเขาต่อสู้กับเราได้เขาก็จะต้องต่อสู้กับเราหรือถ้าเขาต่อสู้กับเราไม่ได้เราฆ่าเขาไปแล้วตายไปเราก็ต้องกลับไปเกิดมาให้เขาฆ่าอยู่ดีเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสิ่งที่เราเคยฆ่า globe. นั่นเองเคยฆ่าปลาเดี๋ยวตายไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าอยู่นี่เป็นหลักของการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า เมื่อทำบาปแล้วจะต้องมีผลเสียหายร้ายแรงตามมาเราก็จะไม่กล้าทำถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากบ้างก็ขอยอมทนเช่นอดยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานก็จะไม่ไปยิงนกตกปลาไปฆ่าสัตว์เพื่อ น, นำเอามาเป็นอาหารจะยอมอดหรือจะยอมกินผักไปกินผลไม้ไปตามมีตามเกิดถ้าจะต้องตายเพราะความ การที่ไม่ได้ฆ่าน้ไม่ได้ฆ่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็ยอมตายดีกว่าด้อย่างนี้ตายไปแล้วไม่ขาดทุนเพราะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือได้ไปสวรรค์ก่อนนี่เป็นเรื่องของการทำบาป ท, ที่เราก็ต้องมีสปีคอยดูการกระทาของเราทางกายและวาจาว่าทาอยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือไม่ นี่คือเป็นการรักษาศีลไปในตัวไม่ต้องรอวันพระวันศีลแล้วค่อยรักษากันเพราะว่าถ้ารักษาเพียงวันเดียวอีกหกวันไม่รักษานี้มันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรทำบาปเสียหกวันแล้วค่อยมาละบาปเพียงวันเดียวมันไม่พอหรอกมันไม่สามารถปิดกั้นอบายได้ถ้าจะปิดกั้นอบายได้นั้นจะต้อง รักษาศีลตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเลยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรถ้าเราคำนึงถึงผลเสียหายที่จะตามมาแล้วเราจะไม่กล้าทำบาปเพราะสิ่งที่เราได้จากการทำบาปนี้มันไม่คุ้มค่าเท่ากับโทษที่เราจะต้องรับใช้ต่อไปนั่นเองนี่คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เท่าที่เราจะสามารถทำได้ในชีวิตประจาวันของเราเราก็ควรที่จะทำกันอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเพราะชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆหดน้อยลงไปเรื่อยๆโอกาสที่จะได้สร้างบุญได้ทำความดีได้ละบาปก็จะมีน้อยลงไปไเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีเวลาหเหลืออยู่พอถึงวันนั้นแล้วก็จะร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ มันก็สายไปแล้วไม่มีใครจะช่วยอะไรเราได้จึงขอให้เราตั้งใจทำความดีละบาปการเสียตั้ตงแต่วันนี้และทำอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกรับรองได้ว่าไม่นานเราจะได้รับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้รับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาปฏิบัติมาบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอน ตามศรัทธาความเชื่อของเราให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ุภที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศิลรัตนตรายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาลำเพลิกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ในท่านนี้แต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ